แต่ก็มีความเห็นในเรื่องวิญญาณอย่างเดียวกับของศาสนาพราหมณ์ท่านโยคีรามจากเดิมทีเดียวเป็นชาวอเมริกันชื่อว่าวินเลียมวอล์คเกอร์แอดคินสันภายหลังท่านได้ไปศึกษาศา ส, สนาและปรัชญาต่างๆของอินเดียซึ่งรวมทั้งได้ศึกษาในทางพุทธศาสนาด้วยและต่อมาก็ได้บวชเป็นโยคีอยู่ในอินเดียได้เขียนหนังสือไว้หลายเล่ม